สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตรออยฟมร้อกข้กาพเจาพระมาหาภัยบูญนาพีปุนโนจากวัดป่าดอนนายโศก อ, อ, อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพระุทธเจ้ามาให้ได้ฟังกันในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธบางครั้งก็นําสิ่งที่เป็นพระสูตรหรือว่าคําอธิบายพระสูตร มาให้ได้ฟังกันเดี๋ยวนี้จะได้นํานิทานธรรมบทที่อธิบายพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของความประมาทโดยประลบถึงเรื่องของกษัตริย์องค์หนึ่งที่ชื่อว่าวิถุตปะเรื่องของวิถุตปานี้รรมวังเป็นพระราชาที่สืบทอดมาจากพระชาเปเสนที่โกศลในสมัยพุทธกาล เรื่องของพระชจ้าวิจุธภานี้ก็ดราม่ามากแต่ในเรื่องนิทานนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าเปรเศรที่โกศลเนี่ยยังเป็นเด็กๆอยู่แต่ไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองตากาศิลานั้มาฟังเรื่องราวนี้กันว่าท่านวิจุตพซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเปรเศรที่โกศล น, นั้นกําเนิดมาได้อย่างไรแ ล, แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปตอน สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตากศิลาพระกุมารสามพระองค์เหล่านี้คือพระราชโอรสของพระชจ้ามหาโกโศนในพระนครสาวัตถีพระนามว่าปรเสนที่กุมารพระกุมารของเจ้าลิชวีในพระนครเวสาลีพระนามว่ามหาลิและโอรสของเจ้ามัลละ ในพระนครกุศีนาราทรงพระนามว่าพันทุลักษ์สามรูปนี้เสด็จไปนครตะกคศิลาเพื่อเรียนศิลปะในสนักอาจารย์ที่สาป่าโมกมาพบกันที่ศาลานอกพระนครต่างก็ถามถึงเหตุที่มาระกูลและพระนามของกันและกันแล้วเป็นพระสหายกันร่วมกันเข้าไปหาอาจารย์ ต่อการไม่หนานักก็เรียนศิละปะสำเร็จจึงกราบลาอาจารย์พร้อมกันสเสด็จออกจากกรุงตากาศิลาได้ไปสู่ที่อยู่ของตนของตนตอนสามพระกุมารได้รับตำแหน่งต่างกันบรรดาพระกุมารทั้งสามพระองค์นั้นเอร์เซนต์ที่กุมารทรงแสดงศิละปะถวายพระชนก อันพระชนกส่งเลื่อมใสแล้วจึงอภิเสกในราชสมบัติมหาลิกุมานเมื่อจะทรงแสดงศิลปะแกช่ชาลิชวีทั้งหลายก็แสดงด้วยความอุตสาหามากพระเนรของพระองค์ได้แตกไปแล้วพวกเชาลิชวีจึงปรึกษากันว่าพุทโธเอ๋ยอาจารย์ของพวกเราถึงความเสียพระเนศเสียแล้ว พวกเราจะไม่ทอดทิ้งท่านจะบำรุงท่านดังนี้แล้วจึงได้ถวายประตูด้านหนึ่งให้เก็บสวยได้วันละแสนแกมหาลิกุมานนั้นพระองค์อาศัยประตูนั้นให้โอรสกของเจ้าลิชวี500องค์ทรงเรียนศิลปะวิทยาอยู่แล้วฝ่ายพันธุลกุมานเมื่อพวกตระกูลมลราชกล่าวว่า ขอพันธุลักุมารจงฟันไม้ไผ่เหล่านี้ในนี้แล้วได้กระโดดขึ้นไปยังอากาศสูงถึงแปดสิบศอกเอาดาฟันมัดไม้ไผ่หกสิบลำซึ่งพวกเจ้ามันละเอาไม้ไผ่หกสิบลำใช่ซี่เหล็กในท่ามกลางแล้วให้ยกขึ้นตั้งไว้คาดกระเด็นไปแล้วปันธุลักกุมานั้น ได้ยินเสียงดังกริ๊กของซี่เหล็กในมัดสุดท้ายจึงถามว่านี่อะไรกันเมื่อได้ยินว่าเขาเอาซี่เหล็กใส่ในไม้ไผ่ทุกมัดทุกมัดแล้วจึงทิ้งดาบร้องไห้พรางพูดว่าบรรดาญาติและเพื่อนของเราประมาณเท่านี้แม้แต่คนเดียวซึ่งเป็นผู้มีความเสนหาในเรามิได้บอกเหตุ น, นี้แกเรา ก็าหากว่าเราพึงรู้แล้วไซพึงฟันไม่ให้เสียงซี่เหล็กนั้นดังขึ้นเลยณ น, น, นี้แล้วจึงได้ทูลแก่พระชนณีและพระชนกว่าหม่อมฉันจะฆ่าเจ้ามาละเหล่านี้แม้ทั้งหมดแล้วครองราชสมบัติอันพระชนนีและพระชนกห้ามแล้วโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าลูกเอย๋ยนี้เป็นราชประเพณี ชอบไม่ได้เพื่อจะทำอย่างนั้นพันธุลักุมารจึงได้ทูลว่าถ้ากรณนั้นหม่อมฉันจะไปสู่สำนักเพื่อนของหม่อมฉันดังนี้แล้วได้เสด็จไปเมืองสาวพัทีแล้วฝ่ายพระชางประสิทธิที่ทรงทราบการเสด็จมาของพันธุละนั้นจึงทรงต้อนรับเชิญให้เสด็จเข้าวรณกรด้วยส ก, การะใหญ่แล้ว ทรงตั้งไว้ในตําแหน่งเสนาบดีพันธุลษเสนาบดีนั้นได้เชิญประชนาชนีและประชาชนกมาอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแหละตอนพระราชาสรงเลี้ยงพัตหารภิกษุเองไปหลังวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่ประสาชนบนทอดพระเนตรไปยังระบังถนนเห็นภิกษุหลายพันรูป ซึ่งไปเพื่อต้องการทำพัฒกิจในฤาษีของท่านเหล่านี้คือท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีจุลาอนาถบินทิกาเศรษฐีนางวิสาขานางสุปปาวาสาดันางนี้แล้วจึงตรัสถามกับพวกราชบรุษว่าพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นไปไหนกันราชบรุษจึงได้กราบตุลว่า ข้าแต่สมมติเทพภิกษุ2 0ส0รูปไปเพื่อประโยชน์แก่พัดทั้งหลายมีนิตยาพัดสลากพัดและกี้ลานะพัดเป็นต้นในเครือข่ายของอนาถบินทิกาศเศรษฐีทุกๆวันภิสูจ500รูปไปเครือข่าดของจุละอนาถบินทิกาศเศรษฐีเป็นนิดของนางวิสาขาและนางสุปาวาสาก็เช่นเดียวกันพระเจ้า พระเจ้าพระเจษฐาที่โศสนก็ทรงประสงค์จะบำรุงภิกษุด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปยังวิหารทรงนิมนต์พระศาสดาพร้อมกับภิกษุพันุ์รูปถาวายทานด้วยพระหัตของพระองค์เองสิ้นเจ็ดวันในวันที่7็ถาวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงส่งรับภิกษาของข้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปเป็นนิเตปะชฆะพระศัสดามหาวพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับภิกษาประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจนํานวนมากย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชาท่ากนกระนั้นขอพระองค์ โปรดส่งภิกษุรูปหนึ่งไปเป็นประจำเทิดพระศัสดาได้ทรงทำให้เป็นภาระของท่านพระอนนุเทระพระราชาไม่ทรงจัดเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเมื่อภิกษุสงมาแล้วชื่อว่าชนเหล่านี้รับบาดแล้วจงอังคาดคือการถวายทรงอังคาดคือถวายด้วยพระองค์เองเท่านั้นตลอดเจวัน ในวันที่แปทรงลืมไปที่ได้ทรงกระทำให้เนินชาแล้วก็ธรรมดาในราชตระกูลจนทั้งหลายอันพระราชาไม่ได้ทรงสั่งแล้วย่อมไม่ได้เพื่อปูอาสนะทั้งหลายนิมนต์พวกพิกษุให้นั่งแล้วถวายของเลยพวกภิกษุก็คิดกันว่าเราไม่อาจเพื่อยับยั้งอยู่ในที่นี้ได้ จึงพากันหลีกไปเสียหลายรูปแม้วันที่สองพระราชาก็ทรงลืมแล้วแม้ในวันที่สองภิกษุเป็นนันมากก็พากันหลีกไปถึงวันที่สพระราชาก็ทรงลืมในการนั้นเว้นพระอานอนทตระองค์เดียวเท่านั้นพวกภิกษุที่เหลือพากันหลีกไปตอนคนมีบุญ ย่อมหนักในเหตุธรรมดาผู้มีบุญทั้งหลายย่อมเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุจึงรักษาความเลื่อมใสแห่งตระกูลทั้งหลายไว้ได้ก็สาวกของพระตถาคตแม้ทั้งหมดที่ถึงฐานันดรตั้งแต่ชนชั้นแดเหล่านี้คืออริยะสาวกสองรูปคือพระสาริบุตรเถระ พระมหาโมกขลนานติระอร拉สาวิกาสองรูปคือนางเขมานางอุบบนว น, นาบรรดาอุบาสกทั้งหลายอุบาสกผู้เป็นอร拉สาวกสองคนคือจิตตะเครื่อบดีฮันทะกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายอุบาสิกาผู้เป็นอร拉สาวิกาสองคนคือมานดาของนันทามานบ ชื่อเวรุ ก, กันตะกีและนางกุจชุตราล้วนมีบุญมากสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเพราะความเป็นผู้บำเพ็ญบารมีสิบด้วยเอกเทศแม้ท่านพระอนุนเตระมีบารมีอันบำเพ็ญแล้วตั้งแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภินิหารมีบุญมากเมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูลจึงได้ยับยังอยู่ เพราะความที่ตนเป็นไปในอำนาจแห่งเหตุพวกราชบรุษนิมนต์ท่านรูปเดียวเท่านั้นให้นั่งแล้วอังคาดพระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกพิกสู่ไปแล้วพระเนตเห็นกาตริยะและโภชนิยะตั้งอยู่อย่างนั้นแหละจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่ได้มาหรืทอทรงสับว่าพระอนุนเทระ มารูปเดียวเท่านั้นพระเจ้าข้าพระราชาส่งพิโรธภิกษุทั้งหลายว่าพระผู้เป็นชาติทั้งหลายได้ทําการตัดขาดต่อเราเพียงเท่านี้นเป็นแน่จึงเสด็จไปสนักพระศา ส, สดากราบดูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงภิกษะไว้เพื่อภิกษุห้าร้อรูปทราบว่าพระอนอนนทเทระรูปเดียวเท่านั้นมาภิกษะที่หม่อมฉันจัดแจงแล้ว ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองพิกษุ5 0ห้าร้รูปไม่กระทำความสำคัญในพระราชวังของหม่อมฉันเลยจะมีเหตุอะไรเนาะแลตอนตระกูลที่พิกษุน์ควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปพระศัสดาไม่ตรัสโทษของพวกพิกษุแต่ตรัสว่ามหาบพิษชาวกทั้งหลายของอัตมาภาพไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์ปพระเหตุนั้น พิสษุทั้งหลายจะไม่ไปแล้วเมื่อจะส่งประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไปและเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายจึงตรัสเรียกพิสษุทั้งหลายมาแล้วตรัสประพูที่มาในอังกุตรนิกายนวกกะวั ก, วกนี้ว่าพิสษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าพิสษุอย่างไม่เข้าไปก็ไม่ควรเข้าไป และกรันเข้าไปแล้วก็ไม่กลัวนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เเป็นอย่างไรเล่าตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เเหล่านี้คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่อภิวาส ด, ด้วยความพอใจไม่ให้อาสนะด้วยความพอใจซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีอยู่มากก็ให้น้อยเมื่อมีของประณีต ก็ให้ของเศร้าหมองให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยความเคารพไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ไม่ยินดีภิกษุทัหายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์าเหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครันเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทัหายส่วนตระกูลที่ประกอบ ด้วยองค์9วพิสูจยังไม่เข้าไปก็กวนเข้าไปและเมื่อเข้าไปแล้วก็กวนนั่งไกล้ตระกูลประกอบด้วยองค์9เป็นอย่างไรเล่าตระกูลที่ประกอบด้วยองค้าเหล่านี้คือเขาต้อนรับด้วยความปอใจอภิวาส ด, ด้วยความพอใจให้อาสนะด้วยความปอใจไม่ซ่อนของที่มีอยู่ของเก่าไว้ เมื่อขอมีมากก็ให้มากเมื่อมีของประนีตก็ให้ของประนีตให้โดยเคารพไม่ให้โดยไม่เคารพเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังตามเมื่อกล่าวทำอยู่เขาก็ยินดีภิกษุตัลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค้าเหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปก็กวนเข้าไปและกรั้นเข้าไปแล้วก็กวนัังใกล้ดัง น, นี้แล้ว จึงได้ตรัสกับพระชาปเศ็นิกชนว่ามาพะพิษสาวกของอัตมาภาพเมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำนักของพระองค์จึงจับไม่ไปด้วยประการชนีแลก็แต่จริงโบราณกาบบัณฑิตทั้งหลายแม้เขาบำรุงอยู่ด้วยความเคารพในที่ที่ไม่คุ้นเคยถึงเวทนาแทบปางตายก็ได้ไปสู่ที่ ของผู้คุณเคยกันเหมือนกันพระราชาตูนตามว่าในการไรพระชค่าจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังนี้ว่าเรื่องเกศวะดาบทในอดีตการเมื่อพระเจ้าบรมทัตเสวยราชสมบัติในบรรณกรปราณีศีพระราชาทรงพระนามว่าเกศวะทรงสละราชสมบัติ ออกปนวดเป็นเรษีมีบุรห้าร้อยคนออกบวชตามพระราชานั้นแล้วเตอได้พระนามว่าเกสวดาบทอันหนึ่งนายปูสามาลาของพระองค์ก็ได้บวชตามเป็นอันเตวาสิกนาววากบักกะเกสวาดาบทกับบริษัทอาศัยอยู่ในหิมมะวันตาประเทศสิ้นแเดือน พอในฤดูฝนเพื่อต้องการเสบรสเค็มแล้วรสเปรี้ยวบ้างจึงไปถึงกรุงพระนศีแล้วเข้าไปสู่พระนกรเพื่อพิกษาราลดั บ, บนั้นพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นดาบทนั้นก็ส่งเลื่อมใสทรงรับปติญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดสี่เดือน นิมนต์ให้พักอยู่ในพระพราชอุทยานย่อมเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระดาบทนั้นทั้งเย็นทั้งเชา้าพวกดาบทที่เหลือพักอยู่สองถึงสวันก็รำคาญด้วยเสียงอึงกระหนึงต่างๆมีเสียงช้างเป็นต้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์พวกกระผมรำคาญใจจะไปละ่ะเกสวะพวกท่านจะไปที่ไหนกันพ่อ พวกลูกศิษย์จะไปสู่หิมพันต์าประเทศท่านอาจารย์เกสวะก็ในวันที่พวกเรามาทีเดียวพระชาปนินทรงรับปริญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ที่นี้ตลอดสี่เดือนพวกเธอจะไปเสียอย่างไรล่ะพ่อลูกษิษย์คืออันเตวาสิษย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ไม่บอกพวกกระผมเสียก่อนแล้วจึงรับคำของพระราชา พวกกระผมไม่สามารถอยู่ในที่นี้ได้จะอยู่ในที่ที่พอฟังความเป็นไปของท่านอาจารย์ได้ซึ่งไม่ไกลจากที่นี้ดังนี้แล้วก็พากันไหว้พระอาจารย์แล้วหลีกไปอาจารย์ก็คงอยู่กับอันเตบาสิกคือลูกศิษย์ที่ชื่อกัปะกาะเท่านั้นพระราชาเสด็จมาสู่ที่บํารุงแล้วตรัสตามว่า รพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกันเกสวะดาบทจึงตูลว่าหมาบะพิษพวกดาบทเหล่านั้นบอกว่าเกิดความรําคาญใจดังนี้แล้วก็ไปสู่หิ ม, มะวันตาประเทศในการต่อมาไม่นานักแม้กับประกากดาบทก็รําคาญใจแล้วแม้ถูกอาจารย์ห้ามอยู่บ่อยๆก็กล่าวว่าไม่อาจจะอยู่ได้ แล้วจึงได้หลีกไปแต่กับปะกะดาบทนั้นไม่ไปสำนักของพวกดาบดนอกนี้คอยฟังข่าวของอาจารย์อยู่ในที่ไม่ไกลนะักในการต่อมาเมื่ออาจารย์คิดถึงพวกลูกศิษย์คืออันเตวาสิกเหล่านั้นโรคในท้องก็เกิดขึ้นพระราชาจึงรับสั่งให้แพทย์เยียวยาโรคก็ไม่สงบลงได้ เกสวาดาบทจึงทูลกับพระราชาว่ามหาฮัมบะพิษพระองค์ทรงประสงค์จะให้โรคของอัตมาภาพสงบอย่างนั้นหรือพระราชาข้าแต่ท่านผู้เจริญหากว่าข้าพระเจ้าอาจก็พึงทําความผาสุกแก่ท่านเดี๋ยวนี้แหละเกสวาดาบทมหาฮัมบะพิษหากว่าพระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อัตมาภาพใสโปรทรงอัตมาภาพ ไปยังสำนักของพวกอันเตวาสิก ค, คือพวกลูกศิษย์เถิดพระราชาจึงรับคำดังนั้นแล้วให้ดาบุนั้นนอนบนเตียงน้อยทรงส่งอมามัดไปสีน่นายมีนารัตตาอามัดเป็นหัวหน้าด้วยรับสั่งบ่าพวกท่านทราบข่าวของพระผู้เป็นเจ้า ข, ของเราแล้วพึงส่งข่าวถึงเราด้วยนะกับประกะอันเตวาสิกทราบว่าอาจารย์มา ก็ทำการต้อนรับเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพวกนอกนี้ไปอยู่ที่ไหนกันจึงเรียนว่าทราบผ้าอยู่ในที่โนอนครับอันเตวาสิกแม้เหล่านั้นทราบว่าอาจารย์มาแล้วจึงมาประชุมกันนะที่นั้นนั่นแหละถวายน้ำร้อนแล้วได้ถวายพลาพนแกอาจารย์โรคได้สงบแล้วนะขณะนั้นนั่นเองประดาบทนั้น มีวันนะประดุดทองคำโดยสองถึงสหมวันเท่านั้นลาดับนั้นาามารธะอรมัตจึงถามด้วยคำที่เป็นกถ า, าว่าข้าแต่เกสีดาบทผู้มีโชคอย่างไรหนอท่านจึงละพระราชาผู้เป็นจอมแห่งมนุษย์ผู้บัรดาลสมบัติหน้าใครทั้งสิ้นให้สำเร็จเสียแล้วยินดีในาอาสมของกับประกาศดาบท เกสวัฒนาบทได้ตอบว่าคำไพเราะวนให้รุ่นร ม, มีอยู่รุกชาตเป็นที่เพลินใจมีอยู่นารธ ะ, ะคำที่กบักกะกล่าวดีแล้วย่อมให้เรายินดีได้นารธามาตจึงถามต่อไปว่าก็ท่านบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันเจือด้วยรสเนื้อดีๆแล้วข้าวฟ่างและลูกเดือย ซึ่งหารถเก็มมิได้จะทำให้ท่านยินดีได้อย่างไรเกสวานาบทึงตอบว่าผู้คุ้นเคยกันบริโภคอาหารไม่อร่อยหรืออร่อยน้อยหรืออร่อยมากในที่ใดอาหารที่บริโภคในที่นั้นก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้เพราะว่ารถทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง พระศาสดากรันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกตรัสว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโมกขลนะน้ารัะอมาตได้เป็นสารีบุตรอันเทวาสิกชื่อกัปะกะได้เป็นพระอนนุ์เกสวสดาบดเป็นล่านี้นั่นเองดังนี้แล้วจึงได้ตรัสกับพระเจ้าเปรเันที่กศลสนอย่างนี้ว่า อย่างนั้นแหละมาาบพิษบัณฑิตในปางก่อนถึงเวทนาปางตายได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยกันแล้วสาวกทั้งหลายของอัตมาภาพเฉลรอยจะไม่ได้ความคุ้นเคยในสำนักของพระองค์ตอนพระาราชาส่งส่งสารไปขอทิดาจากเจ้าสากยะพระราชามีความดำริว่า เราควรจะทำความคุ้นเคยกับพีกสุสงเราจะทำอย่างไรดีหนอะัรงนี้แล้วจุนได้ทรงดำริต่อไปอีกว่าเราควรทำพระธิดาแห่งพระญาติของสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพระราชมทีนเมื่อเป็นเช่นนี้พวกพีกสุหนุ่มและพวกสามเณรก็อาจจะคุ้นเคยแล้วมาอย่างสนักของเราเป็นนิดด้วยคิดว่าพระราชาเป็นพระญาติ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางนี้จึงส่งพระราชสารไปสํานักเจ้าสักยะทั้งหลายว่าขอเจ้าสักยะทั้งหลายจงประทานพระธิดาคนหนึ่งแก่หม่อมฉันแล้วรับสั่ ง, บ, งบังคับทูตทั้งหลายว่าพวกท่านพึงถามว่าเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสักยะองค์ไหนแล้วจึงมาตอนเจ้าสักยะ ให้ทิดานางตาสีแก่พระชาปเศสินทิพวกทูตไปแล้วทูนก่อเจ้าหญิงคนหนึ่งกับเจ้าสักยะทั้งหลายเจ้าสักยะเหล่านั้นประชุมกันแล้วมีความดำริว่าพระราชาเป็นฝักฝ่ายอื่นแต่ว่าถ้าพวกเราจะไม่ให้ใช้เท้าเธอก็จะทำให้เราชิบหายก็เมื่อว่าโดยสกุลเท้าเธอ ไม่เสมอกับเราเลยพวกเราควรทำอย่างไรกันดีท้ามหานามะตรัสว่าธิดาของหม่อมฉันชื่อว่าวาสภคติยาเกิดในท้องของนางตาสีถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่พวกเราจะให้นางนั้นนางนิลาวจึงรับสั่งกับพวกทูตว่าดีละพวกเราจะถวายเจ้าหญิงแก่พระราชา ทูล ถ, ถึงถามว่าเป็นพระธิดาของเจ้าสักยะองค์ไหนพวกเจ้าสักยะเป็นธิดาของเจ้ามาหานามะสักยาราชผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ชาชื่อว่าสภัติยาทูดเหล่านั้นไ้กราบทูลแด่พระราชาของตนพระราชาเกอพระชาประสิทธิที่จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีละ พวกเธอจงรีบนำมาเถิดก็ธรรมดาพวกกษัตริย์มีเล่ห์กลมากจะพึงส่งแม้ลูกสาวของนางทาสีมาก็อาจเป็นได้พวกท่านจงนำทิดาผู้สุเบยอยู่ในภาชนะเดียวกันกับพระปิดามาเดินี้แล้วก็จึงส่งทูตทั้งหลายไปพวกเขาไปแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระราชาทรงปรารถนาพระทิดาผู้สเบยร่วมกับพระองค์ ถามหานามะจึงรับบ่าได้สิพ่อแล้วจึงให้ตกแต่งนางในเวลาเสวยของพระองค์รับสั่งให้เรียกนางมาแสดงอาการประหนึ่งว่าร่วมสวยกับนางแล้วมอบแก่ทุกทั้งหลายพวกเขาพานางไปยังเมืองสาวัตถีแล้วกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงพอพระทยัย ตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรี500คนอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งอัคระเมเหสีต่อการไม่หนานักนางก็ประสูติพระราชโอรสมีวันนะเหมือนตองกำต่อมาในวันขนานพระนามพระโอรสนั้นพระราชาทรงทรงพระราชสารไปสำนักของพระอัยยิกาว่าพระนางวาสบัคขติยาพระธิดาแห่งสากยราช ประสูตพระโอรสแล้วจะทรงขนานพระนามพระกุมารนั้นว่าอย่างไรฝ่ายอมาตะผู้รับพระราชสารนั้นไปค่อนข้างจะหูตึงเขาเข้าไปกราบทูลแก่พระอีิกาของพระราชาตอนพระกุมารได้พระนามว่าวิทูทปะพระอยิกานน้นทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระนางวาสบัคติยา แม้ไม่ประสูติพระอรสก็ได้ครอบคราบราสมบัติทั้งหมดก็บัด น, นี้นางจะเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชาอมัดหูตึงฟังคำว่าวันละภาไม่ค่อยชัดเข้าใจว่าเป็นวิถุตภะครั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบตูนว่าขอเดชะพระองค์จงทรงขนานพระนามของพระกุมารว่า วิ ท, ทุทะะเถิดพระราชาทรงดำริว่าคำว่าวิทปะจะเป็นชื่อประจำตระกูลเก่าของเราจึงได้ทรงขนานพระนามว่าวิทุถะดังนี้ตอนวิทุถะเสด็จเยี่ยมสากยัตระกูลต่อมาพระราชาได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่วิทปะกุมาร น, นั้น ในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์นั่นแหละด้วยตั้งพระไัยว่าจะกระทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระศาสดาวิตรุะปานั้นทรงเจริญแล้วด้วยเครื่องบำรุงสําหรับกุมารในเวลามีพระชนเจ็ดกวบทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้นของกุมารเหล่าอื่น อนบุคคลนำมาจากตระกูลยายจึงถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ใครๆเขาก็นำบรรด า, ารมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่นพระญาติไรๆ่ๆย่อมไม่ส่งบรรณ า, ารไรๆมาเพื่อม่อมฉันบ้างเลยเจ้าแม่ไม่มีพระชนนีพระชนกหรือที่นั้นพระมารดาจึงลวงพระโอรสนั้นว่า เพราะเจ้าสักยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่แต่อยู่ไกลเหตุนั้นพวกท่านจึงไม่ได้ส่งบรรณาการไรๆมาเพื่อเจ้าก็ในเวลาที่วิตรตาะมีพระชนาครบ16ปีพระกุมารจึงทูลกับพระมารดาอีกว่าเจ้าแม่ม่อมฉันใครจะเยี่ยมตระกูลพระเจ้ายาย แม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่ว่าอย่าเลยลูกเอ๋ยลูกจะไปทําอะไรในที่นั้นวิตรุตปานั่นก็ยังอ้อนบอนร่ําไปที่นั้นมารดาของพระกุมารก็ทรงยินยอมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดตอนพวกสากยะต้อนรับมิตรุตปะพระกุมารทรงกราบตูลพระราชบิดาแล้ว เสด็จออไปพร้อมด้วยบริวารเป็ น, นันมากพระนางวาสภกัติยาทรงส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนว่าม่อมฉันอยู่ทางนี้สบายดีพระยาตทั้งหลายอย่าแสดงโทษไร้ไรของพระสวามีแก่พระกุมาร น, นั้นเลยเจ้าสาคยะทรงทราบว่าวิถุตาภกุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่า พวกเราไม่อาจไหว้วิฑุตภกุมารได้จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆ ก, กว่าวิฑุตภัานั้นไปยังชนบทเสียเมื่อวิฑุตภกุมารนั้นสเสด็จถึงกบิลพัฒบุรีก็ประชุมกันในต้องพระโรงวิฑุตภากุมารได้สเสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นลำดับนั้นพวกเจ้าสากยะกล่าวกับพระกุมารนั้นว่า พ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าลุงวิตุสปานั้นเที่ยวไหว้เจ้าสากยะทั้งหมดมิได้เห็นเจ้าสากยะแม้องคหนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนอจึงไม่มีเจ้าสากยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้างพวกเจ้าสากยะตรัสว่าพ่อ กุมารที่เป็นน้องๆของพ่อเสด็จไปชนบทเสียหมดแล้วทรงทมสาการะใหญ่แกพระกุมาร น, นั้นพระองค์ประทับอยู่สิน้นสองถึงสามวันก็เสด็จออกจากพระนครด้วยปริวานเป็นอันมากลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี้เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสี ชื่อวาสบกัติยานั่งนังนี้แล้วก็ล้างแผ่นกระดานที่พระกุมารนั้นนั่งในท้องพระโรงด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมมหาเล็กคนหนึ่งเรืออาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงด่าวิทูทบาคุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่านา่งวาสบกคติยา เกิดในท้องของนางตาสีของท้าวมหานามาสักยะจึ่งบอกกล่าวแก่พวกผลได้มีการอื้อเช้ากันย่างขนานใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสบกคตยาเป็นทิดาของนางตาสีตอนวิตุทะะทรงอาคาตพวกเจ้าสักยะเจ้าวิตุทะวะทรงสับคำนั้น จึงตั้งพระไตยว่าพวกเจ้าสักยะเหล่านั้นจงล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจือด้วยนมก่อนแต่ในการที่เราดารงราชสมบัติแล้วเราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งเอาละตัมบูฟังเรื่องนี้เริ่มมันแล้วแ ต, แต่ตอนที่วิตูตะพเกิดมาแล้ว กลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองสากยะค้นพบความจริงเข้าก็จึงผูกความแค้นวันนี้เรามีเวลาเท่านี้เรื่องตอนต่อไปของพระช้า ว, วิจุทพานี้จะนำมาให้ฟังกันต่อไปใน ว, วันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันต่อไปใน ว, วันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพร ะ, พระม ah un, หาภัยบณ์อาพี่ปุณโญจาวัดป่าดอนไฮโซกเจริญบา